แสดงถึงช่วงต่อของความเปลี่ยนแปลงจากการถูกบีบขันด้วยแรงตะบะหรือการบําเพ็ญพรตแบบเก่าหันมาเน้นใ น, นแง่ที่คุณธรรมความดีของคนเป็นแรงเร่งเร้าแทนและพระอินท์ในระยะช่วงต่อ น, นี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับพลังบีบบังคับที่เกิดจากตะบะแบบเก่าอยู่ด้วยในสถานการณ์บีบบังคับแบบเก่านั้นการปฏิบัติของพระอินท์ก็มักจะเป็นไปในรูปของการแข่งขันจิงชัยจิงอํานาจกับมนุษย์แบบลกโล ก, โลก ที่ติดมากับระบบเก่าเช่นพยายามหาทางทำลายตบะของมนุษย์เป็นต้นซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่วิธีการแห่งกุณธรรมตามคติของพระพุทธศาสนาเช่นในโลมัสะกัสปะชาดกพบของพระอินวันไหวด้วยเดชแห่งตบะของโลมสะกัสปะดาบทพระอินดําริว่าดาบทนี้มีเดชสูงนัก จะทำเราให้เคลื่อนจากความเป็นเท้าสักกะเราจะต้องร่วมมือกับพระเจ้าพาราณสีเพื่อทำลายตบะของดาบทนั้นจึงเสด็จเข้าไปยังห้องบรรทมของพระเจ้าพาราณสีในเวลาเที่ยงคืนปรัดบอกพระเจ้าพาราณสีว่าถ้าปราตนาความเป็นใหญ่ในชมพูทวีปยิ่งใหญ่เสมอด้วยเท้าสักกะก็จงนำโลมสกสปาดาบทมาเป็นผู้ทาพิธีฆ่าสัตว์บูชายันที่พระอินท์แนะไปอย่างนั้น ก็เพื่อให้ดาบทผิดศีลตัวอย่างการแกล้งของพระอินทร์เรื่องที่สองในอาัมพุสาชาดกอิสิสิงขดาบทบำเพ็ญฌานอยู่ในป่าหิมะพานได้เป็นผู้มีตะบะกล้าทําให้พิภพของพระอินทร์หวั่นไหวพระอินทร์ไคร่ครวรดูก็ทราบเหตุนั้นทรงพระดําริว่าพระดาบทนี้จะพึงอย่างเราให้เคลื่อนจากความเป็นเท้าสักกะจึงส่งนางอับสรชื่ออาลัมพุสา ให้ไปทำลายศีลของดาบทนั้นตัวอย่างการแกล้งของพระอินทร์เรื่องที่สามในนลนิกาชาดกอิสิสิงข์ดาบททำฌานและอภิญญาให้บังเกิดขึ้นเป็นผู้มีตะบะกล้าแข็งอย่างยอดเยี่ยมเพราะเดชะแห่งศีลของดาบทนั้นพบของพระอินทร์จึงหวั่นไหวพระอินทร์ทรงไครโครนดูก็ทราบถึงเหตุ จึงห้ามฝนไม่ให้ตกในกาศิกรรัทั้งหมดตลอดสมปีแว่นแคว้นทั้งสิ้นก็เล่าร้อนพระอินทเสด็จไปหาพระราชาตรัสว่าเหตุที่ฝนไม่ตกเป็นเพราะดาบทบมเพนตะบะให้พระราชาทรงพระราชธิดาพระนามว่านาลินิกาไปทําลายตบะของพระดาบทเสียส่วนเรื่องที่เข้าสู่กติของพระพุทธศาสนามากบ้างน้อยบ้างมีมากมายหลายเรื่อง ช่นในมหาสุวราชาชาดกพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานกแขกเต้าผู้สันโดษไม่โลภในอาหารอาศัยอยู่ที่ต้นมะเดื่อต้นหนึ่งริมแม่น้ำคงคาเมื่อผลของต้นไม้ที่ตนอาศัยอยู่หมดลงสิ่งใดที่ยังเหลืออยู่จะเป็นหนอ่อใบเปลือกหรือสะเก็ดก็ตามก็กินสิ่งนั้นแล้วดื่มน้ำในแม่น้าคงคา คุณคือความมักน้อยสันโดษอย่างยิ่งของพญานกแขกเต้านั้นได้บันดาลให้พกของพระอินหวั่นไหวจึงลองใจพญานกแขกเต้าด้วยการบันดาลให้ต้นไม้นั้นแห้งไปต้นไม้นั้นเหลืออยู่แต่ตอแตกเป็นช่องน้อยช่องใหญ่มีผงละเอียดไหลออกมาตามช่องต้นไม้นั้นพญานกแขกเต้าจิกผงเหล่านั้นกินแล้วไปดื่มน้ําที่แม่น้ําคงคาไม่ไปที่อื่น เมื่อทราบว่าพญานกไม่หนีไปไหนเพราะรู้คุณของต้นมะเดือ่อพระอินทร์จึงบันดาลให้ต้นมะเดื่อนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งตัวอย่างการช่วยของพระอินทร์เรื่องที่สองในกันหะชาดกฤษีตนหนึ่งชื่อว่ากันหะอธิษฐานเอาต้นอินทวารุณพฤกต้นหนึ่งเป็นที่อยู่ที่กินเมื่อต้นไม้ผ ล, ผลก็กินผลเมื่อผลิดอกก็กินดอก เมื่อมีใบก็กินใบเมื่อใบไม้ไม่มีก็กินสะเก็ดไม้เป็นผู้มักน้อยอย่างยิ่งด้วยเดชแห่งศีลของท่านซึ่งสันโดษอย่างยิ่งเพียงนี้ปันทุกรรมพลศิลาอาจของพระอินทร์ก็ได้แสดงอาการร้อนผิดปกติเมื่อทราบเรื่องแล้วจึงเสด็จมาเพื่อตดลองโดยแซงติเตียนฉวีวันโภชนะและที่อยู่ของฤาษีเมื่อรู้ว่าฤาษีไม่โกรธ ก็มีจิตเลื่อมใสแล้วให้พรฤาษีตัดความกังวลของพระอินทร์ว่าท่านประพฤติพระมรจันเพื่อความเป็นใหญ่หรือไม่ด้วยการรับพรสี่ประการคืออย่าให้มีความโกรธอย่าให้มีโทสะอย่าให้มีความโลภอย่าให้มีความสิเนหาตัวอย่างการช่วยของพระอินทร์เรื่องที่สามในอกิติชาดกอกิติดาบดอาศาัยอยู่ใกล้ต้นหมากเมา มีความปรานาน้อยในเวลาที่ต้นหมากเม่านั้นมีผลก็ฉันผลหมากเม่าเวลามีแต่ใบก็เก็บมานึ่งฉันพระอินทร์ก็อาจร้อนคิดจะลองใจจึงแปลงเป็นพรามไปขออาหารอากิตติดาบททำทานด้วยใจปีติแม้ตนจะต้องอดอาหารในวันนั้นพระอินทร์ทดลองอยู่ถึงสามวันดาบทนั้นแม้จะอิดโรยแต่ก็ให้ทานด้วยใจปีติเช่นเดิม พระอินทร์จึงเข้าไปถามถึงจุดมุ่งหมายในการบำเพ็ญตะบักเช่นนี้อากิตติดาบทตอบว่ามิได้ปราถนามนุษย์สมบัติหรือว่าสวรรคสมบัติเลยแต่ปราถนาพระสัพพัญยุตยานตัวอย่างการช่วยของพระอินทร์เรื่องที่สในสุรุจิชาดกสุรุจิมหาราชครองราชสมบัติโดยมีพระนางสุเมธาเป็นพระมเหสี แต่ก็ไม่มีพระโอรสหรือพระธิดาเลยชาวเมืองต่างพากันมาเรียกร้องให้พระมเหสีตั้งจิตปรารถนาพระโอรสพระนางจึงสมาทานอุโบสถอันเป็นเหตุให้พบของพระอินวันไหวพระอินจึงไปเชิญเทพประบุตให้จุติลงมาเกิดเป็นโอรสของพระนางราชโอรสนั้นพระนามว่ามหาปนาตเมื่อสุรุจิมหาราชจะจัดพิธีอภิเษกพระโอรสในราชสมบัติ พระอินก็ให้วิสุกรรมเทพบุตรแปลงเพศมาเป็นช่างมาช่วยสร้างพราสาทให้เมื่อสมโพสเวตฉตดสุรุจิมหาราชจัดมหระศพะหลองมงคลแต่พระเจ้ามหาปนาฏไม่ได้ส่งพระสวนเลยเพราะความที่เท้าเธอเคยทอดพระเนตรกระบวนฟ้อนรำอันเป็นทิพมาช้านานเมื่อครั้งเป็นเทพพระบุการฟ้อนของนักฟ้อนเหล่านั้นจึงไม่ได้เป็นที่ต้องพระไทย พระอินก็มีเทวบัญชาส่งนักฟ้อนเทวดามาแสดงให้พระองค์ทรงพระสวนด้วยตัวอย่างการช่วยของพระอินทเรื่องที่หในศรีวิราชชาดกพระราชาศรีวิราชบริจาคทรัพย์เป็นมหาทานอยู่เป็นประจำจึงปรารถนาให้ทานที่ยิ่งขึ้นไปด้วยการบริจาคพระเนตรเป็นทานพระอินท์ก็ทดลองด้วยการแปลงกายมาเป็นยาจกตาบอด มาขอพระราชาทานตาหนึ่งข้างแต่พระโพธิสัตว์สีวิราชพระราชทานให้ถึงสองข้างเมื่อให้หมอหลวงควักดวงพระเนรพระราชาทานไปแล้วยาจกนั้นก็มีดวงตาที่มองเห็นแต่พระราชาสีวิราชก็เข้าถึงความเป็นคนตาบอดต่อมาพระอินทร์ได้แนะให้พระโพธิสัตว์ทำสัจจากิริยาทำให้มีจักษุทั้งสองข้างเกิดขึ้นใหม่ เพราะสัจจะบารมีนั้นตัวอย่างการช่วยของพระอินทร์เรื่องที่หในสัมพุราชาดกโสติเศสนราชกุมารเป็นโรคเรื้อนขอสลัดตาแหน่งอุป ร, ราชเข้าไปอยู่ป่าพระนางสัมพุลาพระอัครมเหสีของโสติเสนกุมาร น, นั้นขอตามไปเฝ้าปริบัติบํารุงวันหนึ่งพระนางถูกอสูรจับไว้เพื่อหวังนําไปเป็นพันรยา เมื่อไม่สามารถจะให้อสูรนั้นปล่อยตัวได้จึงทำการร่าร้องฟ้องเทวดาขึ้นทันใดนั้นด้วยเดชอำนาจของพระนางก็ทำให้พระอินทร์อาดร้อนพระอินทร์ก็ทรงวัชิราวดะเสด็จมาประทับยืนบนอากาศตวาดขูอสูรให้ปล่อยพระนางแล้วจองจำอสูรไว้ด้วยตรนทิพย์ตัวอย่างการช่วยของพระอินทร์เรื่องที่7ในกุสะชาดกพระเจ้าโอกาการาช ครองราชสมบัติโดยธรรมมีพระอัครมเหสีส่งพระนามว่าสีและวัดีแต่ทว่าพระนางหามีพระโอรสและพระธิดาไม่ต่อมาชาวเมืองเรียกร้องให้พระราชาปล่อยพระอัครมเหสีไปเป็นนางบำเรอของบุรุษทั้งหลายบ้างเพื่อให้พระนางตั้งพระขันด้วยอำนาจศีลของพระนางจึงทําให้อาดของพระอินทร์เร่าร้อนผิดสังเกตเมื่อส่งทราบเหตุดังนั้นแล้ว จึงเสด็จไปอ้อนวอนพระโพธิสัตว์และเทพประุติอีกองค์หนึ่งให้ลงมาถือกำเนิดในพระคันของพระนางสีระวดีครั้นแล้วพระอินก็ได้ทรงจำแหล่งเพศเป็นพรามชราพาพระนางสีระวดีไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงทรงประทานของห้าอย่างแก่พระนางแล้วส่งลูพระนาภีของพระนางด้วยปลายนิ้วพระหัต์เบื้องซ้ายพระโพธิสัตว์ ทรงถือกำเนิดในพระคารของพระนางเมื่อประสูติก็มีพระนามว่ากุสตินะราชกรุมารผู้มีปัญญาแต่รูปไม่งามต่อมาพระนางก็ได้ประสูติพระราชโอรสอีกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าชยัมบดีผู้มีรูปงามแต่ไม่เฉลียวฉลาดเมื่อพระโพธิสัตว์มีพระชนได้1 6พระชนสาก็ได้อภิเษกสมรส กับพระนางประภาวดีพระราชธิดาของพระเจ้ามัทราชโดยอุบายของพระนางศีลวดีว่ามีราชประเพณีที่ห้ามไม่ให้ทั้งสองเห็นกันในเวลากลางวันหรือในที่สว่างเป็นอันขาดจนกว่าจะมีคันและจึงเห็นกันได้แต่ไม่นานพระนางประภาวดีก็พบความจริงว่าพระโพธิสัตว์มีรูปน่ารังเกียจ จึงหนีกลับประเทศมัทธราชพระเจ้ากุศราชโพธิสัตว์รุ่มหลงรูปโฉมพระนางประภาวดีพระองค์ได้เสด็จตามและได้ทรงพยายามด้วยประการต่างๆที่จะได้พระมเหสีกลับคืนมาภายหลังก็ได้รับความอนุเคราะห์ของพระอินเนรมิตรบุรุษขึ้นเจ็คนต่างอ้างว่าเป็นราชทูตของพระเจ้ามัทธราชนำพระราชสารไปถวายกษัตริย์ทั้งเจ็พระนครว่าบัดนี้พระนางประภาวดี ส่งละทิ้งพระเจ้ากุสราชกลับมาแล้วถ้าพระองค์มีพระราชประสงค์ก็จงเสด็จออกมารับเอาพระนางไปเถิดพระราชาทั้งเจ็ดพระนครจึงพากันมาพร้อมด้วยบริวารใหญ่เมื่อเสด็จถึงสาขานครแล้วต่างองค์ก็ทรงไถ่าถามซึ่งกันและกันจนได้ทราบเหตุถึงกับสรงพิโรธจึงพร้อมใจกันยกพลเข้าประชิดติดพระนครไว้พระเจ้ามัทราชตัดว่า ถ้าเราส่งลูกสาวให้แก่กษัตริย์องค์หนึ่งกษัตริย์ที่เหลือจะทำการรบเราไม่อาจยกลูกสาวของเราให้กษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งได้อีกประการหนึ่งเราก็ได้ยกลูกสาวให้แก่พระเจ้ากุสราชแล้วแต่นางได้หนีออกมาจากพระองค์เสียเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้หนำใจคือเราจะต้องตัดนางให้ออกเป็นเจ็ดท่อนแล้วส่งไปให้พระราชาตั้งเจ็ดพระองค์ พระนางประภาวดีมีความกลัวตายจึงต้องไปขอขมาโทษต่อพระเจ้ากุศราชพระเจ้ากุศราชรับขมาแล้วทรงรับอาสาออกต่อสู้กับกษัตริ์ทั้งเจ็ดพระนครนั้นซึ่งก็ทรงสามารถปราบอริราชศัตรูให้พ่ายแพ้พระอินจึงพระราชทานแก้วมณีดวงหนึ่งให้แก่พระโพธิสัตว์นับแต่วันนั้นไปพระองค์ก็มีพระรูปพระโฉมอันงดงามล้ำเลิศ ด้วยอนุภาพของแก้วมณนีดวงนั้นตัวอย่างการช่วยของพระอิน์เรื่องที่8ในเตมิยชาดกพระนางจันทาเทวีอัครามเหสีของพระเจ้ากาสิกราชเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรปราถนาพระโอรสทรงสมาทานอุโบสถในวันเพน็ญแล้วกระทาสัจกิริยาว่าถ้าข้าพเจ้ารักษาศีลไม่ขาดขอบุตรของข้าพเจ้าจงเกิดขึ้น ด้วยสัจจวัจจานี้ด้วยเดชานุภาพแห่งศีลของพระนางจันทาเทวีนั้นอาจของพระอินก็แสดงอาการร้อนจึงเสด็จสู่สำนักของพระโพธิสัตว์ในพิภพดาวดึงเพื่อทูลเชิญให้ถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางจันทาเทวีเมื่อประสู寿แล้วก็สมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะอันอุดมมีพระนามว่าเตมิยราชกุมาร ทรงแส่งทาตนเป็นคนง่อยเพราะไม่ต้องการจะครองราชสมบัติแม้จะถูกทดลองด้วยวิธีต่างๆอยู่ถึง16ปีพระองค์ก็อดทนต่อการทดลองเหล่านั้นเพราะมีจิตมุ่งต่อการบรรพชาเมื่อคนทั้งหลายเชื่อว่าพระองค์เป็นง่อยจริงพระราชบิดาจึงมีรับสั่งให้สารถีนำพระโพธิสัตว์ไปฝั่งเสียที่ป่าชา้าขณะที่นายสารถีกาลังขุดหลุมนั่นเอง พระกุมารก็เสด็จลงจากรถทรงทดลองพระกำลังโดยเสด็จดำเนินไปมาและทรงจับท้ายรถกวัดแกวง่งเมื่อทรงเห็นว่ายังมีพระกำลังเหมือนเดิมจึงเสด็จมาหานายสารถีส่งเล่าเรื่องในอดีตชาติซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระราชาและเคยตกนรกถึง8ปดหมื่นปีให้นายสารถีฟังและส่งให้นายสารถีกลับไปแจ้งข่าวการบวชของพระองค์ ครั้งนั้นพระอินทรงทราบ พ, พระหาทัยของพระกุมารจึงตรัสสั่งพระวิศุกรรมเทพประบุตรให้ไปสร้างบารรณาศาลาและเครื่องบริขารแห่งบรรพชิตแก่พระกุมาร น, นั้นพระโพธิสัตว์บรรพชาแล้วสเสด็จเข้าบารรณาศาลากระทำอภินยาหและสมาบัติ8พระราชบิดาสเสด็จมากเกลี้ยกล่อมให้กลับไปเสวยราชสมบัติแต่พระมหาสัตว กับแสดงธรรมให้พระราชาพร้อมด้วยเสยนาข้าราชบริพารและประชาชนที่มาประชุมกันในที่นั้นต่างก็มีความเลื่อมใสได้บวชตามเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ได้มีพระราชาอีกหลายพระองค์ส่งพนวดตามพระเตมียะอศีด้วยตัวอย่างการช่วยของพระอินเรื่องที่9ก้าในเวสันดรชาดกพระอินประสาทพรสิบประการ แก่พระนางผุสดีก่อนที่จะจุติลงมาเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดรเมื่อพระเวสสันดรเจริญชน16พรรษาพระราชบีดาก็ยกสมบัติให้ครอบครองทรงอภิเสกกับพระนางมัดสีมีพระโอรสหนึ่งองค์ชื่อชาลีพระราชธิดาชื่อกันหาพระเวสสันดรบริจาคทานช้างปัจจัยนาคประชาชนศรีพีโกรธแค้น จึงขับไล่ให้ไปอยู่เขาวงกฏก่อนที่พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีชาลีและกันหาออกจากพระนครได้ทูลขอพระราชทานโอกาสบำเพ็ญมหาสัตตะสตกะทานคือการให้ทานครั้งยิ่งใหญ่เมื่อเสด็จถึงเขาวงกฏได้พบศาลาอาสมซึ่งพระวิสุกรรมเทพบุตรเนรมิตรตามพระบัญชาของพระอินกษัตริ์ทั้งสี่จึงทรงผนวเป็นฤาษี พมนักในอาสมสืบมาเมื่อพระเวสสันดรทรงพระราชทานสองโอรสแก่เท่าชูชกไปแล้วพระอินทก็จำแลงกายเป็นพราหมณ์มาขอพระนางมัตสีพระเวสสันดรจึงพระราชทานให้พระนางมัตสีก็ยินดีแต่พระอินในร่างพราหมณ์ฝากนางมัตสีไว้ยังไม่รับไปแล้วตรัสบอกความจริงและถวายคืนพร้อมถวายพระพรแปดประการ เมื่อชูชกพากุมารน้อยสองพระองค์หลงเข้าไปในกรุงสีพีพระเจ้าสนชัยจึงพระราชทานข้าไถ่คืนต่อมาชูชกก็ดับชีพไปเพราะไฟธาตุไม่ย่อยอาหารชาลีราชกุมารได้ทูลขอให้พระเจ้าสนชัยไปรับพระบิดาพระมารดานิวัดพระนครเมื่อหกษัตริย์ได้พบหน้ากันที่เขาวงกตต่างก็ถึงวิสัญยีภาพสลบลง พระอินจึงได้ทรงบรรดาให้ฝนตกประพรมหกกระสัตต์และถวยหานให้หายเศร้าโศกเมื่อเสด็จนิวัติพระนครพระเวสสันดรขึ้นครองราชแทนพระราชบิดาพระอินทได้ทราบจึงบรรดาลให้มีฝนแก้วเจ็ดประการตกลงมาในนครสีพีพระเวสสันดรได้ทรงประกาศให้ประชาชนนำไปได้ตามปรารถนาที่เหลือให้ขนเข้าคลังหลวง ตัวอย่างการช่วยของพระอินทร์เรื่องที่สิบในอัตถกถาธรรมบทเรื่องพระจักกุบาลพระจักกุบาลบำเพ็ญสมมณะธรรมโดยถือเนสัจิกะทุดงจนตาบอดพร้อมกับบรรลุเป็นพระอรหันต์จุลบาล น, น้องชายต้องส่งหลานชายเดินทางมารับโดยให้หลานโบวชเป็นสามเณรรับท่านกลับไปเมืองสาวัตถีในระหว่างทางที่สามเณรหลานชายจูงพระเถระมาถึงแนวป่า ้มู่่่บานนแหงหงงึสามเณรได้ยินเสียงหญิงหักฟืนคนหนึ่งร้องเพลงมีความกำนัดพอใจในเสียงจึงปลีกตัวไปจากพระเถระแล้วข้าไปเสพเมถุนกับหญิงนั้นพระจักกุบาลจึงขับไล่สามเณรหลานชาให้ไปเสียเพราะไม่ประสงค์จะเดินทางร่วมกับคนพาลด้วยเดชแห่งศีลของพระเถระอาสนะของพระอินทร์ก็ร้อนจึงเสด็จลงมาช่วยนำทางไปเมืองสาวัตถี โดยปลอมองค์เป็นคนเดินทางไกลมาพบพระเทระอาสาจะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางแล้วย่วนแผ่นดินให้สั้นเข้าได้ถึงสาวัตถีในเย็นวันนั้นเองตัวอย่างการช่วยของพระอินทร์เรื่องที่11ในอัตถกถาธรรมบทพรามนวัตรเรื่องสามเณรนางพระมณีคนหนึ่งได้มอบหมาให้พรามผู้สามีไปที่วัดพระเชตวัน เพื่อทำการนิมนต์พระพิสุสีรูปมารับอาหารบิณฑบาต ท, ที่บ้านนางบอกถึงคุณสมบัติว่าพระที่จะนิมนต์มานั้นต้องเป็นพราหมณ์แก่สี่คนเมื่อพราหมณ์ไปที่วัดและแจ้งความประสงค์กลับได้สามเณรน้อยอายุเจ็ดขวบจำนวนสี่รูปคือ 1. สังกิตจะสามเณรสองบันดิตสามเณร 3. โสปากะสามเณรและสี่ เรวัตสามเนธซึ่งสามเนธน้อยทั้งสี่รูปนี้ล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์นางพระมณีเห็นเข้าก็โกรธได้ต่อว่าต่อขานพราหมณ์ผู้สามีสั่งให้กลับไปที่วัดใหม่เพื่อนิมนต์พระามณ์แก่มาแทนและได้ให้สามเนธทั้งสี่รูปนั่งรอบนอาสนะที่ต่ำๆไม่ยอมถวายอาหารเมื่อพระามณ์นั้นกลับไปที่วัดก็ได้พบกับพระสารีบุตรเถระ และได้นิมนต์พระเถระไปที่บ้านเมื่อพระเถระเดินทางไปถึงที่บ้านแล้วก็ได้เห็นสา ม, มเณรขีนาศพทัง้งสี่รูปจึงได้ถามสา ม, มเณรขีนาศเหล่านั้นว่าได้ฉันอาหารบิณฑบาตแล้วหรือยังเมื่อได้ทราบว่าสา ม, มเณรขีนาศยังไม่ได้ฉันอาหารบิณฑบาตและอาหารก็เตรียมไว้สำหรับสี่คนเท่านั้นพระเถระก็ได้กลับวัดโดยที่ไม่รับอาหารบิณฑบาตจากบ้านของพราหมณ์ นางพรามณีจึงสั่งสามีกลับไปที่วัดอีกคราวนี้ได้ไปนิมนต์พระมหาโมคคลานะเทระมาพระเทระก็กลับไปไม่รับนิมนต์โดยอาการเดียวกันพอถึงช่วงนี้สามเณรทั้งสี่รูปยังไม่มีอะไรตกถึงท้องตั้งแต่เชา้าก็มีความรู้สึกหิวขึ้นมามากอาสนะของพระอินทร์ก็แสดงอาการร้อนเมื่อได้ทรงทราบว่าสามเณรทั้งสี่รูปกาลังหิวโหอยอาหาร จึงทรงแปลงร่างเป็นพราหมชารามาที่บ้านนั้นพราหมและนางพราหมณีก็ดีใจได้เข้าไปไหว้พราหมชารานั้นและได้เชิญให้ขึ้นนั่งบนอาสนะที่สูงสูงแต่พระอินทแปลงร่างนั้นกลับนั่งลงที่พื้นบ้านและได้ก้มลงกราบสามเณรทั้งสี่รูปจากนั้นเท้าเธอก็ยังได้ทรงเปิดเผยพระองค์ว่าเป็นพระอินท์แปลงร่างมาพราหมและนางพราหมณี ก็จึงยอมนําอาหารไปถวายสามเณรทั้งสี่รูปนั้นหลังจากเสร็จพัฒกิจแล้วพระอินทร์และสามเณรทั้งสี่ได้แสดงอิทธิฤทธิ์เหาะทะลุผ่านทางหลังคาสู่อากาศโดยพระอินทร์เหาะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนสามเณรทั้งสี่รูปก็เหาะกลับวัดพระเจตวันอันหนึ่งพึงสังเกตด้วยว่าตามเรื่องในชาดกเหล่านี้เมื่อพระอินทร์จะช่วยนั้นไม่ใช่จะช่วยง่ายๆ โดยมากมักจะมีบททดลองก่อนเพื่อทดสอบว่ามนุษย์ที่ทำดีนั้นมีความแน่วแน่มั่นคงในความดีนั้นแท้จริงหรือไม่อี ก, กเรื่องหนึ่งที่ถือว่าแสดงคติทางพุทธศาสนาอย่างสำคัญจัดเข้าในทศชาติคือมหาชนกชาดกตามเรื่องว่าเมื่อเรือแตกกลางทะเลคนทั้งหลายหวาดกลัวร้องไห้วอนไหวเทวดาต่างๆพระโพธิสัตว์ผู้เดียว ไม่ร้องไห้ไม่คร่ำครวญไม่ว่อนไหวเทวดาคิดการต่างๆตามเหตุผลและเพียรพยายามสุดกำลังในที่สุดมณีเมฆขาเทพธิดารักษาสมุตมาช่วยเองตามหน้าที่ของเทวดาอันหนึ่งนอกจากตรวจดูเองแล้วพระอินยังมีท้าโล ก, กบาลเป็นผู้ช่วยคอยส่งบริวารมาตรวจดูความประพฤติของชาวโลกไปรายงานให้ทราบด้วย